เมื่อวานเราก็ได้พักกันเต็มที่เนาะเหมือนจะใครร่างกายก็ได้พื้นผนะูความเมื่อยล้าต่างๆ ก, ก็ก็ดีขึ้นเยอะแต่เราก็จะได้เดินทางกันต่อในการเดินทางนะบางทีก็อย่างคิดว่าทางบางทีก็ มียากมีง่ายนะมีอุปสรรคนะหรืออาจจะมีอันตรายนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรนะบางครั้งก็เข้าป่าบางครั้งกนะ็เดินตามท้องถนนแต่จริงถ้าจะว่าไปอันตรายนะมันก็มีอยู่ตลอดเวลานะเดินตามท้องถนนนะก็มี มีเรื่องรถนะที่บางครั้งบางคันเขาก็วิ่งเร็วนะรือบางทีเราข้ามถนนถ้าเราไม่ไม่ดูดีดๆก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือเราเดินตามถนนหนทางนะที่มีบ้านเรือนนะก็อาจจะมีหมานะมีงูนะนะในสมัยพุทธกาลก็มีพระนะถูกพวกขวิดตายก็หลายรูปนะนะ หมากัดนะก็อาจจะเจ็บนะหรืออาจจะหนักกว่า น, นั้นนะเราก็ไม่รู้หรือเราเข้าป่านะอาจจะเจอสัตว์ป่านะซึ่งก็อาจจะมีอันตรายบ้างแต่สิ่งที่เราเป็นพระนะหรือเราเป็นผู้ที่จาริกธุดงเราเราอาจจะไม่ได้มีอาวุธนะเหมือนกับพ่านที่เข้าเข้าป่า ผ่านที่เขาก็้าปากเขก็มีปืนบ้างมีมีดบ้างนะเอาไว้ร่าสัตว์เอาไวา้ไวป้องกันตัวแบบนี้เนะเมืกก่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือทหารที่เขาลาดตระเวนนะเขาก็ต้องมีอาวุธไปด้วยนะเพื่อป้องกันตัวนะหรือเพื่อปราบปรามผู้ที่กระทาผิดเจ้าหน้าที่เขาก็ใส่อาวุธนะทําให้ มีความอุ่นใจนะในการเดินทางแต่พระเราเนะี่ยหรือว่าผู้ที่จะาดิกตามเนี่ยก็เราเรียกว่าแทบไม่มีอาวุธนาะมีดก็เป็นมีดทัสั้นพอได้ทางทางบ้างพอไดนะ้ปอกนะสิ่งต่างๆบ้างเฉยๆนะแต่ถ้าจะว่าป้องกันตัวจริงมันก็แทบจะไม่ได้ละแต่สิ่งที่ ภอาบุตรที่เรามีจริงๆนะคือคือสินนะศิลสิลที่เราตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เราทำได้เนี่ยแหละครูบาอาจารย์ท่านก็จะเน้นเวลาเข้าป่าเวลาออกทุ ด, ดมเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือศิลนะสิ น, สนถ้าจะว่าไปสิน ในพระวินัยก็ดีนะหรือโยมอาจจะมีสินแปดก็ดีนะแต่จริงๆก็อันนั้นก็คือสินที่เป็นข้อที่เราพยายามรักษาให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่สินที่อยากให้พวกเรารักษาให้มันเพิ่มขึ้นคือความสำรวมนะกายวาจาเนี่แหละนะ ก็คือศีล น, นะอย่างที่คนโบรดาณนะหรือคนที่เขามีประสบการณ์เขาจะแนะนำเนเช่นเวลาเราเข้าป่ากนะ็ห้ามพูดสิ่งที่มันเป็นรางไม่ดีหรือพูดในสิ่งที่มันเป็นความท้าทายนะไอ้พวกเนี้ยมันก็คือศีลข้อหนึ่งนะคือการคำรวมวาจานะ วาจาของเราก็มีสินขึ้นมาเราไม่พูดใ น, ในทางลบดูท่าทายนะหรือว่ารองดีอะไรต่างๆหรือคึกขนองอะไรบางอย่างก็มันก็คือการผิดศีลนั่นแหละนะสิ่งที่เขาห้ามสิ่งที่เขาเตือนก็คือมันก็มาจากศีนะคือการสำรวมวาจาให้เรียกร้อยรวมถึงการที่ไม่ คือขนองเกินไปนะไม่เสียงดังเกินไปเนวะ ล, ลาเข้าไปในป่านะเพราะว่าบางทีก็อาจจะมนะีอาจจะมีผู้ที่เขากำลังทำความเพียรอยู่ก็ได้นะอาจจะมีพระนะนะจาวัดปักกฏอยู่แถวนั่นก็ได้เขากาลังทาความเพียรอยู่ก็ได้ หรือแม้แต่บางทีอาจจะบรบกวนสัตว์ให้เขาแตกตื่นหนีออกไปก็ได้นะถ้าถ้าเราเสียงดังเกินไปนี่คือสิทนะคือสั่งสำรวมสำรวมวาจาก็ดีรวมทั้งสำรวมร่างกายของเราเองก็ดีนะสำรวมกายก็คืออะไรก็คือเนี่ยอะไรที่มันไม่สมควรจะทำเราก็ไม่ทำเนาะอย่างเช่นเวลา เราพักที่ไหนเราก็พยายามไม่ตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าอยู่กันให้ง่ายที่สุดนะเท่าที่แค่พออยู่ได้นะสิ่งต่างๆนัคือเราไม่ทำความเดือนร้อนให้เกิดขึ้นนั่นแหละคือการที่เรามีสินนะกายวาจานะมีความสารวมมีความเรียบร้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็สิ่งอื่น นี่คือสินจริงๆนะอ่าบางทีถ้าเราไปมองที่เป็นข้อๆนะแยกๆนะบางทีมันก็ดูดูเยอะอ่บางทีก็อาจจะระ ว, วังหรือเกรงหรือเครียดนะเกินไปถ้าไปจังพระมทีอุสินในพระปาติโมก็สองร้อยี่สิบเจดสินนอกพระปาติโมกอีกก็เยอะมากนะอ่บางทีก็ไปรักษาแบบเ่งเครียด ที่ก็ไปรักษาแบบจับผิดคนอื่นนะเป็นความกังวลก็มีแต่ที่จริงสินโดยย่อก็คือเนี่ยแหละนะความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนยชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสินแล้ว น, นี่คือเรารักษาตรงนี้ให้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้นะถ้าเรามีสินในการสำรวมรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนะ มันก็จะทำให้จิตใจนะก็จะเกิดสีมขึ้นมานะคือจิตใจก็จะมีความสงบมีความนิ่งนะมีความตั้งมั่นนะถ้าว่าจิตใจมันมีสีมก็คือจิตใจมีสมาธินั่นแหละใจมีความนิ่งมีความสงบมีความตั้งมั่นมีความปลอดปโปรง่งนะไม่กังวล นะมีความสบายใจนะอันนี้คือใจที่มีสินก็คือใจที่มีสมาธินั่นแหละว่าเราเจอสถานการณ์อะไรนะบางทีใจที่มีสินหรือใจที่เป็นสมาธินี่แหละมันจะทำให้เร า, เ, าเรียกว่าเผชิญกับสถานการณ์ได้อย่างได้อย่างอาจจะ ทำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นนะคืออาศัยความนิ่งไว้ก่อนนิ่งนิ่งแล้วจิตใจนิ่งแล้วความรู้สิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันจะเอามาใช้ได้นะแต่ถ้าเราไม่มีความนิ่งนะบางทีพอเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยมันจะเกิดความตกใจเนหะมือนคนใครเคยเห็น บ้านใกล้เคียงหรือบ้านตัวเองเคยโดนนะไฟไหม้แบบนี้นะหลายคนจะตกใจตกใจทำอะไรไม่ถูกนะจะดับไฟเองก็ดับไม่เป็นนะจะบอกใครเองก็วิตกกังวลนะหรือใครเคยเจออุบัติเหตุกับตัวเองนะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยบางคนก็ทำอะไรไม่ถูกนะเพราะว่าตกใจนะ เราเองก็เหมือนกันเวลาถ้าจะเจอสัตว์สัตว์ร้ายนะถ้าเราตกใจเนี่ยอะไรก็ทําไม่ถูกนะอะจะไปไหนทําอะไรเนี่ก็อไม่มีสตินะเนะี่ยคือจิตใจไม่มีความนิ่งไม่มีความเยือกเย็นไม่มีความสงบนะแต่ถ้าจิตใจเรามีความนิ่งมีความเยือกเย็นมีความสงบเนี่ยมันก็จะทําให้มันเกิดสติที่จะลึกได้นะละลึกได้ว่า ควรจะทําอะไรต่อนะการมีสตินะก็มันก็บวกกับการที่เรามีสมาธินั่นแหละนะมันก็จะช่วยกันนะมันจะทําให้เราไม่เพลินเกินไปทําให้เรามีความตื่นตัวอยู่เสมอน ะ, ะเราทําอะไรนะมันจะมีความตื่นตัวพระพุทธเจ้ายัางเปรียบเทียบว่าบางทีท่านก็ยกตัวอย่างนะเวลาเหมือนกวางนะกวาง เขากินอาหารนะเขาเล็มหญ้าเขากินพืช อ, อะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่เขาจะไม่ก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวนะเขาจะกินสะดับกับการเงยดูนะดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูลังนะแล้วก็กินใหม่ น, ะนี่ขนาดกวางนะเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงนะอยู่กันได้สิบตัวนะ เขาก็คงมีการแบ่งหน้าที่นะมีคนเฝ้าบ้างมีคนกินบ้างแต่แม้แต่ตัวที่กำลังกินอยู่เองก็ไม่ได้ก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวนะก็ยังกินไปด้วยนะเงยมองลอกข้ามไปด้วยนะเพื่อระวังตัวนะแต่ถ้ากวางตัวไหนนะกินเพลินนะแลยวยิ่งถ้าออกมากินตัวเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มน้อยๆนี่โอกาสที่จะเสพนะ ันักล่าหรือว่าผู้ล่านคนก็ก็ง่ายนะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบ ว, ว่าให้เรามีสติเหมือนกับกวางนะกวางเวลาเขามากินหญ้านะเขาก็จะไม่เพลิดเพลินแต่กับหญ้าที่กาลังกินนะแต่ก็มีสติตื่นตัวระวังตัวอยู่เสมอนะนะระวังซ้ายระวังขวาดูหน้าดูหลังนะให้ดี วเวลาจะเดินนะเห็น ไ, ไหมเดินกวางก็เดินก็ก็เหมือนเดินแบบระวังระวังเนาะแต่มันก็อาจจะมีด้วยความเป็นสัตว์นะที่อาจจะถูกกล้าอยู่เสมอแนละ้วก็เขาก็ต้องตื่นตัวนะมีความระวังนะเราเองก็ก็ให้มีความระวังแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นความกงังวลเป็นความกลัวเกินไปนะคือให้มีความตื่นตัว ตื่นตัวนตื่นตาเนะ่ตาก็มองให้มันแบบให้มัน ก, กว้างสักหน่อยนะอย่าไปมอง <c oughs> แคบๆเกินไปนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าลุกดีลุกโดนนะมองซ้ายมองขวาแบบหาหาดูสิ่งที่มันแบบกลัวนะบางทีสังเกมไหมเรากลัวอะไรนะบางทีจะมองหานะ่บางคนเข้าฝ่าแล้วคิดว่ะจะเจองูต้องบาลนะ ตังูมองนั่นมองนี่ก็บางทีก็จะเป็นงูไปหมดนะอืม <c> เ <oughs> นี่คือหรือบางทีนะ่ะคือมันพอใจเราคิดอะไรบางทีมองมองนั่นมองนี่ก็จะเป็นแบบนั้นบางคนกลัวผีนะอื <c oughs> ได้ยินเสียงหรือเห็นอะไรผิดปกติคิดว่ามันเป็นผีหรือเปล่าอ่างเงี้ย น, นะที่เรา สายตาก็ให้มีความระแวดระวังนะมีความตื่นตัวนะบางทีถ้าเราโฟกัสบางอย่างมากเกินไปทําให้เราไม่เห็นรอบภาพนะบางทีอันตรายนะหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันก็อยู่ข้างๆตัวแต่ถ้าเราโฟกัสแต่ข้างหน้าเกินไปเนะี่ยบางทีเราก็จะไม่เห็นซ้ายไม่เห็นขวาเหมือนกับเราขับรถนะถ้าเรามองแต่ถนนมากเกินไปบางที ไม่ดูข้างๆบ้างบางทีเราก็จะไม่เห็นซอยไม่เห็นรถที่จะมาออกจากซอยบางทีก็เบรคไม่ทันนะถ้าดูแต่ถนนเกินไปนะบางทีก็ดูใกล้ดูไกลนะดูหลังบ้างไนหะมบางทีเราแบบนี้แหละนะแต่ดูแบบให้มีความตื่นตัวนะมองไปอีกอย่างหนึ่งก็สังเกตดูใจของเราด้วยนะบางทีเกิดใจที่มันกลัวใจที่มันกนังวล ใจที่มันเผลอไปนะถ้าเราไม่รู้ทันนะมันก็จะไปกับความกลัวความกังวลกับความเผลอนะแล้วก็วิสตินะมันก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้นะตากนะ็เรียกว่าเปิดให้กว้างนะมองให้รอบด้านหูเองก็ต้องคอยเรียกว่าตื่นระวังนะเสียงต่างๆนะบางที ถ้าเราพูดกันมากนั้นบางทีจะไม่ได้ยินเสียงอย่างอื่นนะแต่ถ้าเราอยู่เงียบๆนะหูเราจะตื่นนะเสียงอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมันก็จะได้ยินมันก็จะได้ยินแต่เสียงอะไรบางทีคนเราก็มีสัญชาตญาณสัดอยู่นะคือบางอย่างมันไม่ผิดปกติมันเป็นเสียงธรรมชาติเนะี่ยเราก็จะไม่เกิดความรู้สึกตื่นตัวหรือว่า ผิดปกติอะไรหรอกแต่ถ้ามันรู้สึกว่าเออมันเป็นเสียงที่มันแปลกอนะไรนั้นเราก็จะตื่นตัวขึ้นเองกลิ่นก็เหมือนกันนะบางทีสัตว์บางอย่างนี่ก็มีกลิ่นที่ที่เขาชัดมากนะเราก็กลิ่นชาน้างกลิ่นเสือกลิ่นสาบอนะไรพวกนี้ยมันก็จะชัดมากนะไม่แต่กลิ่นขี้ของมันเองนะบางทีสดสดใหม่ใหม่เนี่ยเราก็จะ ได้กลิ่นชาติเนี่ยนะมันก็เกิดการตื่นตัวขึ้นนะอืคืออายตนะของเรามันเปิดอ่ะเปิดมากขึ้นเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่ที่อันตรายหรือว่าเสี่ยงภยนะัยเนี่ยให้อายตนนะเนี่ยทั้งหกเนี่ยมันตื่นขึ้นมาตื่นตัวระวังตัวขึ้นเนะี่ยมันจะทําให้เรามีความระวังภัยนะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะอันนี้คือ เขาพยายามเนะี่ยดูนะการมีสติก็คือการตื่นนี่แหละนะตื่นตื่นตัวนะรู้ทันนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างนอกนะรวมทั้งรู้ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเราด้วยนะตื่นทั้งข้างนอกนะตื่นทั้งข้างในนะข้างนอกเกิดอะไรขึ้นมาเราก็รู้ทันนะโดยผ่านอัยตนะภายนอกนะรวมทั้งการที่เรารู้ทัน สิี่มันเกิดขึ้นในใจของเราด้วยนะนั่นคือการตื่นตัวเนาะเนี่ยศีลสมาธินะสตินะมันก็จะทำให้เราดึงปัญญามาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาได้นะถ้าปัญญาพูดกับยามนะปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมนะปัญญาทางโลกงอย่างเราก็จะเอามาใช้นะ อย่างที่เราพูดกันเมื่อวานนะถ้าเกิดเหตุอันตรายยังไงเราก็เอาปัญญาในที่เราได้ยินได้ฟังมามันก็จะดึงเข้ามาใช้ได้นะถ้าจะหนีจะต้องหนีอย่างไรถ้าจะหลบจะต้องหลบอย่างไรอไรนะียมันก็มันก็ทำให้เราระลึกได้นะปัญญาในทางธรรมก็คือการนี่แคือการรักษาใจนะให ให้กลับมาเป็นปกติรักษาใจให้มีทุกข์เนี่ยมันก็เอามาควบคู่กันนะหรือปัญญามันก็เหมือนเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันก็เหมือนโอเคนะเราเราระวังเต็มที่แล้วเราทำได้แค่นี้เลยนะถ้ามันจะเกิดเหตุอันตรายเกิดเหตุที่มันไม่คาดคิดขึ้นมาจริงเราก็อ่ะยอมรับได้ อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมกันมาแต่ก่อนนะว่าอาจจะทำให้เกิดเหตุแบบนี้ก็ได้ตรงนี้เราก็ยอมรับนะมันเป็นเรื่องผลของกรรมขึ้นมาหรือเราก็ยอมรับวนะ่าเออร่างกายมันก็มีเจ็บมันมีตายเนะี่ยมันเป็นธรรมดาเนะี่ยเราก็ยอมรับได้นะคือถ้าใจเรามีปัญญามก็จะเกิดอะไรขึ้นมาแนละ้วก็มันก็ถูกลนะ ถูกตามเหตุตามปัจจัยนะเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเหตุปัจจัยที่มันส่งผลจากอดีตด้วยเนี่ยนะคว่า ก, กรรมก็คือเหตุปัจจัยที่มันมาจากอดีตนะกรรมแบบความหมายทั่วไปนะแต่จริงกรรมในความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุปัจจัยในปัจจุบันด้วยนะเราทำได้แค่นี้เราลบได้แค่นี้นะหรือเขาเองก็เาก็มีกรรมของเขาเนะีย เนี่ยเราก็ทําแค่เนี้เท่าที่ทได้เนี่ยมันก็ยอมรับมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะเราก็ห้ามไม่ได้เราก็แก้ไม่ได้มากกว่านี้แล้วเนี่ ย, เ, ยเราก็ยอมรับไปตามกรรมนเออแต่จริงเราเองนะักก็มีเครื่องมืออย่างหนึ่งนะเนี่คือเมตตาเนะี่ยสัตว์ทั้งหลายนะเขาก็มีใจเหมือนกับเราเนะ่ะ เครื่องมือที่เรามีนะที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือคือเมตตาการแผ่เมตตานะแผ่เมตตาแผ่ออกไปจัดใจของเราเนี่ะนะคนหรือว่าสัตว์นะเขาก็สัมผัสได้นะถ้าเขาถ้าเขาไม่ใช่เกิดเพราะเขากลัวเกินไปหรือเกิดเพราะเขาโกรธมากเกินไปเนะี่ย เขาก็จะรับรู้เมตตาตรงนี้ได้ได้ชัดขึ้นนะเมื่อเราเหมือนคล้ายๆเราเองก็มีมีสัญชาตญาณ น, นะมีความรู้สึกเวลาเราอยู่ใกล้ใครที่เขาไม่พอใจเราเนะี่ยเขาโกรธเราหรืออะไรนะเราก็จะรู้สึกได้เราอยู่ใกล้ใครที่เขาเย็นเขาสงบนะี่ยเขาเป็นมิตรเนี่ยเราก็สัมผัสได้สัตว์เองเขาก็มีสัญชาตญาณตัวนี้นะ สัาคัญได้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูอะไนะเเราก็พยายามมีเมตตานะมองมองสัตว์ไม่ใช่ศัตรูนะแต่ให้มองเหมือนสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะเขาก็มีความกลัวเ็าก็มีความโกรธเขาก็มีความหลงเหมือนกับเรานั่นแหละนะเราก็เมตตาเขานะแม้ ใครจะทําร้ายเรานะเราก็ยังไม่โกรธเขาด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ดีมากนะถ้าเราทําได้นะมันจะทําให้เราไม่ไม่มีการแบบอาฆาตจองเวรตึ่งกันนักกันนะมันก็จะทําให้เราซาบซึ้งนะโดยเฉพาะที่เราสวดแผ่เมตตาทุกๆวันนะถ้าเมตตามันออกมาจากใจของเราได้มากเท่าไหรนะ่เนี่ยมันยิ่งดีมากนะ นี่คือเครื่องมือที่สำคัญนะความมีเมตตานะเราจะแผ่โดยคำพูดก็ได้หรือก็เพียงแค่น้อมใจให้มีเมตตาออกไปก็ได้นะเมื่อใจเราน้อมมีเมตตานะมันจะออกไปทางสายตาก็ดีนะทาความภาษากายที่มันบอกถึงความที่มันไม่เป็น ไม่เป็นศัตรูนะอะไร น, นะเป็นมิตรนะเนี่ยมันก็จะบอกออกไปนยะเขาก็จะรู้สึกได้นี่อันนี้คือเครื่องมือที่ดีที่สุดนะที่เราทำได้นะเราไม่ได้มีเครื่องมือมีอาวุธอะไรที่จะไปฆ่าไปป้องกันตัวไปทำล้ายเขานะแต่เราก็มีเนี่ยแหละมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะมีสติมีเมตตาเนี่ยแหละนะเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญนะที่จะทำให้เราเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้นะนก็ฝากไว้นะครับ